2. โอมะสะวาทะสิกขาบทห5บหถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะกล่าวเศษสีณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุจะพักคีทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลดีงามทั้งหลายกล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงามทั้งหลายในโอมสะวาทศสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน